ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งทรงแสดงทางพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วประพฤติปฏิบัติตามรู้จริงเห็นจริงพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปขอนอบน้อมแด่ส่วนเป็นพระสังฆราช ผู้เป็นผู้นำสูงสุดทางสงแห่งคณะสงฆ์ไทยจเจริญพรโยมช่วงนี้ใกล้ใกล้วันที่สามตุลารู้ไหมว่าวันที่สามตุลาสำคัญยังไงรู้ไหม <c oughs> เออ พอพอเข้าใจแม่จะออกมาทีละทีละกลุ้มต้องเรียกเป็นภาษาราชาศัพท์ไหมนะต้องวันประสูต<ม>์ใช่ไหมวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชแลวปีนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นปีที่ครบร้อยปีของพระสังฆราชคนไทยอาจจะ อาจจะได้ยินเกียรติคุณของพระองค์มามากแต่แปลกแต่าบางคนก็ก็ไปล่วงเกินท่านนะน่าสงสารคนที่ไปล่วงเกินแม้แต่ชาวพูดต่างประเทศนะเขาก็เห็นเห็นพระคุณของพระองค์ ก็ประชุมกันนะประชุมกันยกย่องถวายตำแหน่งถวายตาแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาเคยได้ยินหมตำแหน่งนี้ไม่เคยตั้งนะไม่เคยมีใครตั้งแต่พอเขาเขามาประมวลพระเกียรติคุณของพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะยกย่องอยังไง ให้สมกับความคุณความดีความบริสุทธิ์ของของพระองค์ยกให้เป็นผู้นำสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาสูงสุดโดยตำแหน่งในเมืองไทยก็คือเป็นพระสังฆราชสูงสุดในด้านปริยัติก็พระองค์จบภาคปริยัติสูงสุดในประเทศนี้มีมีอะไรก็สูงแค่ไหนก็เต็มที่แค่นั้นเลยในทางปฏิบัติ พระองค์ก็เราเชื่อว่าสูงสุดเชื่อว่าสูงสุดพระองค์เนี่ยจุดจุดหักเหหรือจุดเริ่มต้นของพระองค์ก็คือถูกเตือนตอนสมัยที่ยังเรียนเป็นพระหนุ่มๆเรียนเรียนภาคปริยัติเรียนบาลี พระอุปชาของท่านก็เตือนเตือนด้วยคําแรงเหมือนกันนะท่านบอกว่ากําลังบ้าเรียนใหญ่หรอกําลังบ้าเรียนถ้าเราเป็นเราถ้าเรียนก็ดีเนาะพระอุปชาเนี่ยจะเตือนเลยกำลังบ้าเรียนใหญ่หรอท <c oughs> <c oughs> ํากรรมฐานซะบ้างนะ <c oughs> คือทางพระเนี่ยถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีนะ ได้ครูบาอาจารย์ดีที่ท่านคอยดูก็จะเจริญพระองค์ได้ครูบาอาจารย์ดีพระอุปชาของพระองค์เตือนว่าถ้าสนใจแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้ละได้ความรู้แต่ว่ามันยังไม่ครบความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่รู้เรียนจำอย่างเดียวต้องไปไปดูเห็นของจริงที่ท่าน ไล่ให้ไปทํากรรมาฐานเลยนะก็คือมันต้องเรียนหลักการแล้วต้องเอาไปดูของจริงของจริงที่ไหนในกายในใจเรานี่แหละแล้วพระองค์ก็ถือเป็นคําสั่งไม่ถือว่าเป็นคําดุหรือเป็นคําด่าหรือเป็นคํากระแนะกระแนงอะไรนะถือเป็นคําสั่งของครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์สั่งมาให้ทํากรรมาฐานหนูแง่มุมในการคิดของท่านนะ ถูกถ้าเป็นคนอื่นอาจจะคิดว่าถูกตำหนิติเตียนอาจจะมาน้อยใจแต่ท่านถือว่าโอ้ครูบาอาจารย์เป็นห่วงมีความเป็นห่วงจึงได้มีคำคานั้นออกมาจะบ้าเรียนกันใบใหญ่หรือ <c oughs> กำลังบ้าเรียนใหญ่หรือทำกรรมฐานซะบ้างนะ <c oughs> ความรู้ในด้านปริยัติความรู้จำไม่ทำให้พ้นทุกจริงแต่ความรู้ที่เห็นสภาวะแท้ๆการเจริญสติอย่างที่นีที่ที่ตั้งบ้านจิตสบายขึ้นมามีสโลแกนเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกในด้านการเจริญสติคือให้มีความรู้ตัวขึ้นมา เรองนี้แง่มุมในการเจริญสติเนี่ยก็มีมากมายเพราะว่าเมื่อถึงคราวที่เราจะมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยถ้าฟังว่าให้รู้ตัวรู้ตัวแล้วไม่ได้ทำนะไม่มีข้อสงสัยเลยเลย <laughs> รู้สึกไหมถ้าว่าออพระท่านให้รู้ตัวเออรู้ตัว จะไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำเพราะรู้แล้วว่าสติแปลว่าระลึกได้รู้ตัวจําได้ถ้ามีข้อสอบออกมากากระบาดถูกหรือเขียนถูกตอบถูกไม่มีปัญหาอะไรแต่พอไปเจริญจริงๆแล้วเนี่ยเอะสภาวะต่างๆมันมากมายหลากหลายบางทีไปติดไปตันตรงนั้นตรงนี้จะมีข้อถามเยอะข้อสงสัยเยอะและข้อสงสัยของแต่ละคนถ้าเห็นจากการศึกษาและปฏิบัติจริงๆเนี่ย จะแตกต่างกันด้วยความที่เราไปเจอสิ่งต่างๆของตัวเองเฉพาะตนแล้วก็การบรรยายก็จะไม่เหมือนกันคาที่ออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงท่านก็จะแปลความออกว่าที่บรรยายคำนี้มาเนี่ยคือสภาวะอะไรบางทีไม่ต้องบรรยายท่านเห็นเองท่านก็จะบอกได้เลยชี้ได้เลยใครมาฟังเขาทีแล้วบ้างมีหม ใครไม่ได้ฟังเขาที่แล้วมีไหมเยอะกว่าบางทีเราจะอ้างอิงเพราะว่าขาวที่แล้วเนี่ยเป็นนิทานเรื่องยาวมากแล้วโมแต่เล่านิทานลืมลืมหลักธรรมสำคัญในเรื่องนั้นไปหน่อยหนึ่งขอย้อนสักนิดหน่อยนะสำหรับคนที่เคยฟังแล้วถือว่าเป็นการทบทวนนะทบทวนเขาที่แล้วเล่านิทานเรื่องอะไรจำได้ไหเรื่องพระเจ้า ปุกปกุสาติปอปลานะบางคนฟังแล้วอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดเป็นกุกุอะไรปอปลาสาลอุกอไก่ปุกปุกปกุกสาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาอยู่แถบตักกัสิลาตักกิลาก็เป็นเมืองอยู่ทาง ปัจจุบันนี้ก็แถวชายแดนปากีสถานต่อเนื่องกับทางอัฟกานิสถานเป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสารโดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอาศัยพ่อค้าเดินทางถึงกันระหว่างเมืองฝากความคิดถึงฝากพระรชาชสารกันไปฝากพระรชาชสารกันมาเพราะ ต, าต่างพระองค์ต่างก็ศรัทธากันว่าแต่ละพระองค์ เป็นพระราชาที่ดีเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมเกียรติคุณนั้นล่ำลือมาผ่านมาทางพ่อคาพระองค์ทรงของขวัญส้พูดปัจจุบันเรียกเป็นของขวัญภาษาทางการหน่อยก็เรียกเครื่องราชบรรณาการเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าพิพิสานเป็นของมีค่า อย่างหนึ่งเป็นผ้าพิเศษที่เครียดตอนเป็นแพ็กกิ้งเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่พอเครียกมาแล้วเนี่ยเป็นผ้าผืนใหญ่กว้างมูลค่าหาหาค่าไม่ได้ตีราคายากพระเจ้ามีพิสารก็ทรงตอบแทนด้วยของที่หายากก็คือข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลก แล้วก็ไม่ได้บอกแค่ข่าวไม่ได้บอกแค่ข่าวแจกแจงวิธีวิธีทำสมัรรมฐานที่ปัสนากรรมฐานด้วยในนั้นเนี่ยที่พระเจ้าปุ ก, กุสาติจับความได้ครั้งแรกก็คือพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกปีติเนี่ยทำให้พระองค์ตัวเบาในคำพีบอกว่าตัวลอยเลยตัวลอยเลยปีติ กล้าดอนไว้ไม่อยู่ต้องให้มหาดเล็กที่อ่านอ่านราชสารเนี่ยบอกหยุดก่อนไม่มีไม่มีสติพอที่จะฟังพระราชสารต่อไปได้ฟังจนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วฟังวิธีทํากรรมฐานจับความได้ว่าพระองค์ก็เลือกเอาที่พระองค์ชอบนะวิธีการทํากรรมฐานเนี่ย พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรยายมาเยอะแต่พระองค์เนี่ยไปถูกใจกับการเจริญอาณาปานาสติเพราะว่าดูลมหายใจแล้วมีความสุขพระองค์ดูลมหายใจแล้วมีความสุขชอบเจริญอาณาปานาสติแล้วได้ฌานทำฌานได้เลยเป็นพระราชาอยู่บนปราสาททำฌานได้พอทำฌานได้ก็ ปรารบว่าจะเสด็จออกบวชปรารบจะเสด็จออกบวชก็ให้มหาเล็กหาอุปกรณ์อุปกรณ์รสำหรับนักบวชก็คือจีวรแล้วก็บาทแล้วมีไม้เท้าด้วยมีไม้เท้าไปด้วยพระองค์ก็ออกบวชแล้วก็การออกบวชของพระองค์คือบวชอุทิศพระพุทธเจ้าบวชอุทิตพระพุทธเจ้าแล้วก็ เดินด้วยพระบาทเปล่าเดินไม่รู้ว่าเมืองเมืองราชคลึ้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตามเดินตามเกวียนของพ่อขา้าไม่ยอมขึ้นเกวียนด้วยด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเดินตามไปพระบาทแตกพระบาทเลือดออกก็อาศัยพักผ่อนด้วยการเข้าฌานถึงโคนไม้ที่ไหนก็นั่งเข้าฌาน พักที่ไหนก็พักกลางวันที่ไหนพ่อค้าก็เอาอาหารมาถวายอาหารสเบียงอาหารเร็วๆของอะไรพวกข้าวแห้งๆแข็งๆซึ่งเป็นสเบียงของพ่อค้าจนผ่านกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกสน พระพุทธเจ้าประทับที่วัดวัดเชตวันกรุงสาวัตถีแต่ข่าวเนี่ยได้รับข่าวจากพระเจ้าพิมพิสารก็เลยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่กรุงาราชเกิดแล้วก็เลยเลยไปเลยไปถึงกรุงาราชคกิดถึงกรุงาราชคกิดแล้วพ่อคา้าบอกเนี่ยถึงกรุงาราชคฤิดแล้วหาที่พักขอเชิญท่านหาที่พักเถิดเนี่ยถึงที่หมายแล้ว ท่านก็ไม่รู้ว่าเขาพักที่ไหนกันพระเนี่ยเขจะอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ก็เลยไปถามพระเอินไปถามที่บ้านช่างปั้นหม้อปั้นหม้อช่างปั้นหม้อก็ออบอกใช่เลยนักบัวทั้งหลายเวลามาเนี่ยเขามาพักที่นี่แหละก็ไปพักที่โรงปั้นหม้อแล้วก็เป็นโรงเก็บฟืนโรงเตรียมดินสกปร ก, ปกแต่พระองค์ก็พักได้พักกลางคืน พระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าปุกุสาติตอนนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าเจ้าปุกุสาติแล้วทางตำราเนี่ยจะเรียกว่าปุกุสาติกุลบุตรพระออกบวชแล้วจะไม่เป็นพระราชาแล้วปุกุสาติกุลบุตรผ่านหน้าวัดไปโดยที่ไม่แวะทั้งทั้งที่ตั้งใจจะมาเข้าเฝ้าพระองค์จะมาจะมาเรียนธรรมะต่อ ท, ท, ทั้งที่นบวช ตอนออกจากวังนั่นคือบวชอุทิตพระพุทธเจ้าและตั้งใจจะมากราบพระพุทธเจ้าแต่ก็เดินเดินทางผ่านหน้าวัดไปพระองค์ก็จะไปโปรดจะไปโปรดวิธีการไปโปรดของพระองค์โดยปกติเนี่ยจะไปได้หลายวิธีบางครั้งก็ใช้วิธีย่อระยะทางเดินทางไปบางทีก็เหาะไปบางทีก็ใช้ริ แต่คราวนี้เนี่ยพระองค์ปราปรบว่าปุ ก, กุสาติกุลบุตรออกบวชอุทิศพระองค์ด้วยความเคารพพระองค์ไม่ยอมใส่รองเท้าพระราชาเนี่ยปกติจะต้องใส่รองเท้าด้วยความเคารพในพระองค์คือในพระพุทธเจ้าไม่ยอมใส่รองเท้าเดินมาด้วยพระบาทเปล่าเท้าแตกยังไงก็ทนทนเดินพระองค์ก็เคารพในความเคารพของปุ ก, กุสาติอีกที ก็เสด็จไปโดยพระบาทเปล่าจากกรุงสาวัตถีเดินตามเกวียนอะไรเติมตามทางนั้นพระทางก็มีเส้นทางระหว่างสาวัตถีมาถึงราชคฤิ์พระองค์เสเวยพระตาหารวันนั้นแล้วก็เสด็จตามมาแล้วก็แวะที่ที่ช่างปันมอบ้านช่างปันมอเข้าไปถามช่างปันมอว่าขอพักสักคืนได้ไหมช่างปันมอเนี่ยก็จำไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า คนกลุงมลัทธิคือที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยมากแต่วันนั้นพระองค์ไปแบบอะไรอะไปแบบปกปิดพระพุทธเจ้าปกติเนี่ยถ้าไม่ปกปิดก็จะมีฉับพันนลังสีออกมาใครมาแค่เดินผ่านเนี่ยเราจะเห็นแสงสัมผัสได้ว่ามีแสงด้วยตาเปล่าจะตาสั้นตายาวก็เห็นได้แต่คราวนั้นนะท่านปกปิด ด้วยความเคารพในความเคารพของปุกุสาติกุรบุตรที่มาด้วยพระบาทเปล่าที่มาอย่างแบบถอดยศพระเจ้าปุกุสาติถอดยศความเป็นพระราชามาเป็นนักบวชธรรมดาเดินเท้าเปล่าด้วยความเคารพในพระาศาสดาพระพุทธเจ้าก็เคารพในความเคารพอันนั้นด้วยมาด้วยพระบาทเปล่าแล้วมาแบบพระปกติ ช่างปั้นหม้อเลยจำไม่ได้สงสัยจะจาแสงเอาจำไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออมีนักบวชอยู่ก่อนนะจะอนุญาตก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยินดีให้ให้ท่านอยู่หรือเปล่าท่านไปขออนุญาตก็เองก็แล้วกันถ้าเขาให้อยู่ก็อยู่ได้ผมไม่ลังเกียจก็เขา้าเข้าไปขอขออนุญาต พระเจ้าปกุสาติออกบวชแล้วทิ้งพระราชวังมาเป็นปุกุสาติกุลบุตรที่เป็นพระแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่ผ่านอุปสมบทนะพิธีอุปสมบทนะตอนนั้นก็เรียกเลยเรียกว่าเป็นนักบวชยังไม่เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์เพราะว่ายังไม่ผ่านพิธีอุปสมบทเรียกว่าปุกุสาติกุลบุตรท่านสละวังมาได้แล้วขนาดนั้ น, นจะไปหวงที่นั่งในในหลงของช่างปั้นมอได้ยังไงก็ขอเชิญตามสบาย ขอเชิญท่านผู้มีอายุตามสบายเพราะไม่รู้ว่าเป็นพระธเจ้าขอเชิญตามสบายคืนนั้นก็ทั้งคู่ถ้าว่าโดยร่างกายเนี่ยระบมมาทั้งคู่นะใช่ไหมเดินมาด้วยพระบาทเปล่าทั้งคู่แต่พระเจ้าประกุศลสติเนี่ยระบมกว่าแต่ก็ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเดินจากสาวัตถีมาราชคกืนเนี่ยใครเคยไปอินเดียบ้างเคยไหมไกลนะ นั่งรถยังเหนื่อยเลยใช่ไหมเรียกว่าถ้าเป็นถ้ารถคันนั้นมีพระวิทยากรบรรยายนะครับท่านก็บรรยายยังคอแห้งอะหมดเรื่องเราไม่รู้จะเอามุกไหนมาออกแล้วเพราะว่าไกลมากเดินทางไกลมากแต่พระพุทธเจ้าเดินทางจากสาวัตถีมาถึงราชคลีร์เนี่ยวันเดียวมาถึงแล้วก็มาถึงที่พักแล้วไม่นอนนะทั้งคู่ไม่นอน ทั้งคูก็นั่งนั่งทำฌานเข้าฌานออกจากฌานมาพู้ลุจจ่าออกจากฌานมาก็ยังเห็นปกุสาติกรบุตรเนี่ยเข้าฌานแล้วออกฌานมาแล้วทรงในใจของพระองค์ก็คือสรรเสริญปกุสาติกรบุตรว่าอืมหน้าน้าเคารพหน้าศรัทธาจริงๆถ้าเราไม่พูดอะไรไปเขาก็คงไม่พูดอะไรด้วย ต่างฝ่ายต่างมีความความเกรงใจซึ่งกันและกันอย่างนี้นะไม่ได้แสดงธรรมกันแน่นอนคืนนี้ก็ <c oughs> เลยทักไปพระเจ้าทักก่อนเพราะว่าที่ทักเนี่ยด้วยมหากรุณาเพราะปะกุศติกุลบุตรมาเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรมพระองค์ก็อาศัยมหากรุณานั้นเอ่ยปากทักทายไปทักทายกันไปทักทายกันมาก็ถามว่า ออกบทออกบทกอุทิศใครทีแรกก็ทักทายว่าโอ้ท่านเนี่ยน้าศรัทธานะน่าเคารพน่าศรัทธาดูท่าท่าทางอิรยิยาบถน่าเคารพน่าศรัทธามากเดินทางมาไกลก็ยังไม่ไม่อ้างความเหนื่อยล้าและนอนจริงๆนะนอนเน่เหนื่อยกว่าเพราะว่าปกุสาติถ้านอนนะได้พักแต่กายพักแต่กายแต่เข้าฌานเนี่ยพักทั้งกายพักทั้งใจ คุณภาพในการพักสูงกว่าแต่คนนึกไม่ถึงใช่ไหมเราจะอ้างว่าเหนื่อยนักนอนก่อนดีกว่าหิวนักนอนก่อนดีกว่าหิวนักนอนไหม <laughs> อิ่มนักนอนก่อนดีกว่าร้อนนักนอนก่อนดีกว่าหนาวนักนอนก่อนดีกว่าใช่ฝนตกที่ผ่านมานี่ฝนตกหน้านอนใช่ไหมความรู้สึกว่าหน้านอนอากาศเย็นสบายหน้านอนอากาศร้อนนาน ทำไมมันมนอนตลอดเลยแต่คนที่จะข้ามพ้นโลกเนี่ยเห็นอะไรแล้วจะเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทไม่ประมาทเขาก็ไม่นอนนั่งเจริญกรรมฐานพระเจ้าก็บอกเออหน่าชมเชยมากท่านบวชอุทิศใครบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าไหม ไม่เคยเห็นแล้วถ้าเห็นจะรู้จักไม่ก็ไม่รู้จักก็ไม่เคยเห็นไม่เป็นไรฟังธรรมนี่นะสรุปเลยนะไม่บอกว่าตัวเองพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะอ้าวไม่เป็นไรฟังธรรมเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังสแสดงธรรมแสดงธรรมเนี่ยให้เหมาะกับผู้นั้นผู้ฟังไม่ใช่ว่ามีมาตรฐานว่าจะต้องแสดงจากอะไรอ่ะเศีลสมาธิปัญญาอะไรงี้นะไม่ใช่เรียงอย่างงี้นะ เอาไปตามคนฟังของผู้ฟังปกุาติกรบุตรเนี่ยทำฌานได้ขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาไล่ว่ารักษาศีลห้านะไม่ต้องละมันเป็นเรื่องที่ท่านผ่านมาแล้วเป็นตอนเป็นพระราชาก็มีศีลห้าอยู่แล้วตอนนี้แหะทำสมาธิได้ฌานแล้วต่อยอดต่อยอดเลยแยกธาตุนะท่านสอนให้แยกธาตุเลยคนที่ทำฌานได้เนี่ยมีสมาธิมาก เวลาจะแยกรูปแยกนามเจริญปัญญาต่อเนี่ยให้แยกาธาตุธาตุมีเท่าไหร่ใครเคยฟังข่าวก่อนน่าจะจำได้มีเท่าไหร่นะเท่าไหร่หกถ้าแยกาธาตุที่เป็นรูปอย่างเดียวเนี่ยมีแค่สี่รู้จักาธาตุสีไหมเคยกินไหมย า, าธานตะุอะย า, าธาตุสีนะฮะ แต่ธาตุสี่เนี่ยก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วมันอีกสองธาตุมาจากไหนมีอะไรอีกอากาศสธาตุคือช่องว่างในร่างกายเนี่ยไม่ใช่แค่มีไม่ไม่ใช่มีแค่ดินน้ำลมไฟนะมันมีอากาศคือช่องว่างอากาศในที่ไม่ไม่ใช่เป็นลมนะเาเรียกว่าเป็น Space ไม่ใช่ Air เป็น Space คือเป็นช่องว่างในหลอดอาหารในปอด ในช่องท้องมีช่องว่างในกระดูกมีโพรงอย่างงี้นะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างเหล่านี้มันเพราะมันมีช่องว่างมันจะมีการเคลื่อนที่ได้มีการแทนที่กันได้ถ้าไม่มีช่องว่างเลยมันก็แน่นติดอย่างรถตามถนนไม่มีช่องว่างรถก็ติดอย่างงี้นะแต่มีช่องว่างโล่งมันก็โฟลไปได้ นี่คือธาตุอีกธาตุหนึ่งอีกธาตุหนึ่งธาตุสุดท้ายเป็นวิญญาณธาตุรู้จักไหมวิญญาณธาตุวิญญาณในที่นี้แปลว่ารู้เป็นสภาวะธรรมวิญญาณคือรู้ไม่ใช่ผีวิญญาณแปลว่าความอย่างรู้รอย่างรู้นี่ก็แปลกเราอาจจะงงยิ่งแปลยิ่งงงแปลไทยเป็นไทยก็คือสภาพที่รู้อารมณ์ วิญญาณธาตุที่ว่ารู้อารมณ์เนี่ยมันรู้เอาไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างรู้สัมผัสทางกายบ้างรู้ทางตาเนี่อรู้อะไรรู้รูปรู้แสงสีรู้แสงสีรู้ทางหูเรื่กรู้อะไรรู้เสียงรู้ทางจมูกเนี่อรู้อะไรรู้กลิ่นไม่ใช่รู้ขี้มูกนะรู้กลิ่นรู้ทางลิ้นรู้อะไรรู้รส รถระสะรอเรือสอเสือรู้ทางกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเย็นร้อนนี่คือาธาตุไฟอ่อนแข็งนี่คือาธาตุดินตึงไหวนี่คือาธาตุลมเย็นร้อนถ้าเย็นเนี่ยธาตุไฟน้อยถ้าร้อนเนี่ยธาตุไฟมากถ้าอ่อนเนี่ยธาตุดินน้อยถ้าแข็งเนี่ยธาตุดินมากตึงตึงนี่คือ ธาตุลมน้อยไหวนี่คือธาตุลมมากธาตุน้ำรู้ด้วยใจรู้ไม่ได้ด้วยกายเอานิ้วจุ่มน้ำลงไปเนี่ยสัมผัสได้อะไรบ้างทางกายแท้ๆเลยเนี่ยถ้าน้ำร้อนก็รู้สึกว่าร้อนถ้าน้ำเย็นก็รู้สึกว่าเย็นถ้าเป็นน้ำแข็งจิ้มไปก็อู้แข็งใช่หถ้าน้ำนิ่มๆก็คือเป็นน้ำ ที่เป็นของเหลวธรรมดาก็จิ้มลงไปก็ลงไปนิ่มๆได้สัมผัสได้แค่ความร้อนความเย็นความแข็งความไม่แข็งของมันหรือว่ามันมีการพัดไหวน้ามันไหลไหลอยู่หรือน้ำนิ่งๆสัมผัสได้ทางกายสัมผัสได้แค่นี้ส่วนจะรู้ว่าที่เราจิ้มไปนเนี่ยเป็นน้ำต้องใช้ใจรู้กายนี่รู้ไม่ได้ นี่คือธาตุต่างๆที่เราจะรู้พระองค์ชี้ให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมแต่คนที่ทําชาญมาอย่างปุกุสาติกุรบุตรเนี่ยทำฌาญมาแล้วเหมาะที่จะแยกรายละเอียดในด้านของกายมากกว่าแยกรายละเอียดในด้านของใจแต่ก็ต้องมีทั้งกายและใจคือแยกรูปแยกนามแต่แยกทางด้านรูปเนี่ยมากกว่าแยกรูปก็คือแยกออกมาเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ แต่ก็ต้องมีวิญญาณธาตุประกอบด้วยเพื่อให้ครบกระบวนการมีชีวิตขึ้นมาแยกความเป็นเราออกเป็นรูปเป็นนามท่านก็แยกแยกมาเป็นธาตุ6ธาตุ6แล้วพอมาถึงวิญญาณธาตุออกรับรู้ทางช่อง6ช่องก็เรียกว่าอาญตนะ6นั้นรู้ธาตุ6แล้วก็มี ทมชุดต่อมาก็คืออาญาตนะหกอาญตนะหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจออกรับรู้ถ้าจะเทียบคู่กันก็มีอายตนะภายนอกอาญาตนะภายในอาญาตนะหกที่ท่านเน้นก็คือดูภายในตาหูจมูกลิ้นกายคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะธรรมารมผลตภะรู้จักไหมผลตภะก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว แล้วยังมีความหน่วงนึกทางใจคำนี้จะไม่ค่อยคุ้นเราจะคุ้นธาตุธาตุนะคำคำนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมอาจตนได้ยินบ่อยความหน่วงความหน่วงนึกทางใจความหน่วงนึกทางใจมีอีก18มันหน่วงยังไงเห็นรูปแล้วพอใจแล้วก็ ใจก็ไปตกอยู่ในรูปนั้นไม่รู้ตัวเห็นกล้องโอ้กล้องนี้ราคาดีน่าจะเป็นเจ้าของรุ่นใหม่อะไรเห็นนี่แล้วพอใจจิตก็ไม่อยู่กับตัวถูกหน่วงไปถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็น่ายกว่าถูกดูดจิตถูกดูดลงไปในนู่นถูกน่วงนึก พอใจนั้นก็หน่วงนึกพอใจคนเห็นคนนี้หน้าตาดีหน้าหน้าครบรสบูชาเห็นแล้วพอใจหน่วงนึกถึงรูปนั้นเห็นรูปนี้แล้วหน้าตาอย่างนี้สงสัยเป็นเจ้าหนี้เก่ารู้สึกไม่อยากเจอไม่ชอบเห็นแล้วหน่วงนึกเหมือนกันหน่วงนึกเพราะไม่ชอบมีโทสะกับรูปนั้นแล้วก็หน่วงนึกถึงสิ่งนั้น หรือเม่อเมอเห็นอยู่นะใจลอยเนะี่ยใจไม่ได้เน้นไปที่ไหนโดยเฉพาะแต่เม่อเม๋อเห็นอยู่ใจลอยก็หน่วงนึกในความเคยไหมไปไปตามอะไรชายหาดเม๋อมองท้องฟ้าเม๋อมองทะเลและคลื่นลมเนี่ยม๋อลอยไปสัมผัสอยู่ความหน่วงนึกอันนั้นก็คือภาพที่เห็นภายนอก เสียงก็เช่นเดียวกันฟังที่น่าพอใจก็ใจก็หน่วงนึกไปถึงต้นเสียงเจ้าของเสียงฟังแล้วพอใจก็โอ้โหเสียงดีหลงเสียงนางอย่างงี้นะฟังแล้วไม่พอใจนางนี้นางนี้เ็นางเหมือนกันนะแต่เป็นนังนี้แล้วนะไม่ชอบแต่ก็ไปที่นู่นนะถูกหน่วงออกหน่วงออกไปหรือฟังแบบเพลินๆ เ, เสียงนกเสียงกาฟังแล้วก็เพลินเดี๋ยวนี้ก็มีอะไร เสียงเพลงสําหรับกล่อมรีแลกซ์ใช่ไหมฟังเพลินเพให้หลับ <laughs> ฟังเพลินเนให้หลับนี่ก็คือถูกหน่วงออกไปกลินกล่นกลิ่นก็หน่วงนะใช่ไหมได้กลิน่นอยู่คนเดียวก็กลิ่นหนึ่งอยู่สองคนก็อีกกลิ่นหนึ่งมีกลิ่นมาก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกลิน่นถ้าอยู่คนเดียวรู้เลยอยู่สองคนก็รู้ด้วยอยู่3ามคนจักไม่แน่ใจ ม, มันก็หน่วงไปนะมันก็หาแล้วขายว่าขายว่าเป็นเจ้าของกลิ่นนี้มีความพอใจไม่พอใจในกลิ่นนั้นก็ถูกหน่วงออกไปหมดเลยทุกช่องทางมีกี่ช่องทางหช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทา ง, า ก, ก, า ก, ง, ทางกระทบช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็จะมีเวทนาสามอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง มีสุขมีทุกข์หรือไม่ก็เฉยเฉยเพราะนั้นถ้าไม่ทันเจริญสติมันจะถูกหน่วงออกไป18แบบจำได้ไหมบอกว่า18เนี่ยรู้สึกโอโ้โหจำยากแต่จริงมันคือ6 3สานี่ใครเรียนคณิตศาสตร์มาจะฟังธรรมะเข้าใจง่ายขึ้น <laughs> ความหน่วงนึก18แบบเริ่มเรียนก่อนน ะ, ะแยกธาตุห แต่ว่าเรียนแบบปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยเขาเรียนสมาธิทําชานมาแล้วถ้าเรียนแบบเราก็คือแยกขันธ์หบางคนถ้าชอบดูจิตก็แยกขันธ์หเพราะว่าในขันธ์หเนี่ยมีรูปอันเดียวต้องมีนามอีก4ดูนะในในธาตุหเนี่ยมีนามอันเดียวมีรูป4มีอีกอันหนึ่งที่บอกไม่ได้ว่าเป็นรูปหรือเป็นเป็นนามแต่ไม่ใช่นามหรอก คือความว่างเป็นอะรูปเป็นความว่างเวลาก็ทําเวลาใจมันอยู่ในความว่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะรูปประชานจะว่ารูปก็ไม่ใช่ <c oughs> เป็นอะรูปความหน่วงนึก18มันเริ่มมาจากดูธาตุหกธาตุหมันออกแล้วก็มาต่อถึงอาญาตนะหแล้วก็มาต่อถึงความหน่วงนึกทางใจอีก18 แล้วพระองค์ก็สรุปเนี่ยไอ้ตุงสรุปเนี่ยขราวก่อนเนี่ยพูดน้อยไปหน่อยสรุปตอนท้ายท่านบอกว่าควรมีอธิษฐานทำอธิษฐานเคยอธิษฐานไหมเคยอธิษฐานเวลาโยมอธิษฐานเนี่ยโยมคิดยังไงขอขอให้เรียนจบขอให้สอบได้ ขอให้ได้แฟนทันในชาตินี้จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีคนโสดขออธิษฐานในความรู้สึกของเราคือขอแต่อธิษฐานแปลแล้วคืออธิษฐานทรรมยนะทที่ควรตั้งมั่นในใจให้ได้มีอยู่สี่อย่างสอย่างคือปัญญาสัจจะ จาคะปัญญาสัจจะจาคะนี่ตัวสุดท้ายอะไรปุปปสมะปัญญารู้จักใช่ไหมไม่ได้อยู่ว่าพอยนะปัญญานี่คือเป็นสภาวะธรรมท่านมีคํากากับปัญญาตัวนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาหรือจะเรียกว่าพึงไม่ประมาทปัญญาก็ได้ พึงไม่ประมาทปัญญาส่วนสัจจะเนี่ยบอกว่าพึงอนุรักษ์สัจจะอนุไปว่าตามอนุไปว่าตามนะรักคือรักษาพึงอนุรักษ์สัจจะจะแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีก็พึงตามรักษาสัจจะอันที่สามก็พึงเพิ่มพูนจาคะแปลกไหม คำเนี้ยสะดุดใจอาตมามากเลยว่าจาคะเนียคือต้องจ่ายออกอะแต่ท่านบอกว่าให้เพิ่มพูนจาคะสุดท้ายพึงศึกษาสันติไอตอนวิธีทาเนี่ยนะบอกว่าเป็นสันติแต่บอกหัวข้อเนียบอกเป็นอุปสมะก็คือคำแทนกันได้เขาเรียกวัยพ์รู้จักไวยพจไหมเพชรสุพันณไม่ใช่ วัยพจน์นี่คือคำที่แทนกันได้ไวยพจน์ในที่นี้ก็คืออุปสมะเนี่ยแปลว่าความสงบสันติหรือนิพพานพึงศึกษาสันติก็คือพึงศึกษานิพพานไม่พึงประมาทปัญญาตามรักษาสัจจะอันนี้สามอะไรจาได้ไหมนะเพิ่มพูนจาคะสุดท้ายคือศึกษาสันติ นี่คือทำที่ควรอธิษฐานไว้ในใจพึงอธิษฐานไว้ในใจว่าทำสี่ข้อนี้จะให้ตั้งมั่นไว้ในใจจะให้มีปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้จำไม่งั้นจะตกอยู่ในฐานะแบบที่สมเด็จพระสังฆราชถูกดุเอาะไปเรียนเรียนใหญ่นะทํากรรมฐานซะบ้าง <c oughs> เนี่ยนะถ้าเอาแต่เรียนเรียนจำเลยนะมันไม่รู้จริงไม่รู้จริงก็ไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้พ้นทุกข์เพราะนั้นต้องเรียนให้ถึงปัญญาก็คือเรียนไปแล้วก็ทากรรมฐานไปทางกรรมฐานไปเนี่ยก็มีสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้เรียกแทนมักมีองค์8 มาองแปดเราเขี้เกียจจาเลยนะบางทีท่านก็ย่อให้เป็น 3. สามศีลสมาธิปัญญาสามแล้วยังมากไปท่านก็ย่อให้เป็นสองได้คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างจะเอาหนึ่งไหมเอาสองก็ได้เนาะเราไม่น่าจะจำยากแล้วนะคือทางพ้นทุกเนี่ยถ้าจำยากว่ามีแดมีสามเอาสองนี่ก็ได้ สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานใช่ได้เรียนรู้ไปเพื่อแยกความเป็นตัวตนออกมาให้เห็นว่าแท้จริงไม่มีตัวตนเรียนมาที่เราเน้นมาที่เราเราเนี่มีอะไรบ้างมีกายและมีใจความเป็นเราเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเป็นกายเรามีใจเราด้วยรู้สึกว่ามีมมใจเรานอะนะใจน่ไม่ได้ใจธรรมดาไม่ใช่สภาวะปกติธรรมดาแต่มีเราด้วย สำหรับปุถุชนทั่วไปจะเห็นมองเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีเราเราตอนเด็กกับเราตอนเนี้มันก็มีเราเราเดียวกันนี่แหละรู้สึกงั้นนะแต่กายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของกายมองว่ากายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราได้ง่ายเพราะมันมีการเทียบได้ว่าตอนเด็กเป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอย่างนี้ยิ่งมีรูปมาเทียบได้ว่าเอารูปมาทาบกระจกอ๋อไม่เหมือนเดิม ตอนนี้สวยกว่าเดิมอะไรเงไม่เหมือนเดิมมันมีเพลงใช่ไหมเมื่อวานก็ดูสวยดีวันนี้สวยกว่าเมื่อวานถ้าใครพูดกับเราอย่างนี้นะอย่าไปเชื่อมันฉันเห็นทุกวันนช่ไฉันรู้ความเปลี่ยนแปลงทางกายมันจะยืนยันนะมันยืนยันแต่ความเปลี่ยนแปลงทางใจเนี่ยยิ่งยืนยันพระเจ้าบอกว่า ใครเห็นว่ากายเที่ยงยังพออนุโลมยังพอให้อภัยแต่ถ้าเขินเห็นว่าจิตเที่ยงนะใช้ไม่ได้เพราะจิตเกิดดับอยู่เสมอจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุที่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปจิตนี้ไม่เที่ยงเลยเกิดดับอยู่ตลอดเวลากายเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันเกิดมาในวันเกิดเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ย จนวันนี้ยังไม่ดับเลยเห็นไหมนานมากกายนี้ยังไม่ดับเลยรู้สึกว่ามันเที่ยงยังโอเคท่านยังพออนุโลมให้อภัยยังน่าชงฉานเล ย, เลยแต่ถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงนะโอ้ไม่น่าให้อภัยเลยเพราะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตอลอดเวลาปัญญาควรมาให้เห็นถึงตรงนี้ เห็นว่ามีกายมีใจที่เป็นสภาวะแท้แท้ไม่ใช่เราศึกษานะจะให้เกิดปัญญาได้ก็ต้องมีอุปกรณ์คือสติและสมาธิครูบาอาจารย์ที่เน้นในเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาพ้นทุกเนี่ยในยุคนี้ท่านจะเน้นให้เจริญสติก่อนแต่ถ้ายุคก่อนๆเนี่ยนะคนไทยไม่ค่อยคิดมากคนไทยจะเป็นสังคมเกษตรกร ไม่ค่อยคิดมากจะมีเขาเรียกอะไรการทำงานจะเป็นรูทีนการทำงานจะเป็นรูทีนไม่ต้องเกียรติอะไรมากเดี๋ยวก็ถึงฤดูนี้ก็หวานข้าวถึงฤดูนี้ก็ไปไห้น้ำเข้านาถึงฤดูนั้นก็ไหน้ำออกจากนาถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เกี่ย ว, ยวชีวิตมีความสุขสบายเราอาจจะนึกไปว่าโอ้เขาอลลาบาก เพราะว่าม่ค่อมีวัตถุในการที่จะสนองต่อกิเลสต่างๆไม่มีหม้อหุงข้าวที่แบบกดปุ่มเดียวไม่มีโทรศัพท์ที่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยกนี้เลยเนาะเดี๋ยวนี้ใช้อย่างนี้ใช่ไหมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะใช้จิ้มจิ้มนานๆจะมาอังที่หูสักทีนะส่ว <c oughs> นใหญ่ก็จิ้มจิมเอาไม่มีวิธีสื่อสารที่แบบปุ๊บปั๊บถึงกันเวลาไปไหนต้องเดินไป ใครมีม้า ก, ก็ขี่มา้าใครมีควายขี่ควายเลยแต่ถามว่าทุกขของคนยุคนั้นกับทุกของคนยุคนี้อันไหนมากกว่ากันทุกใจเนี่ยนะทุกคนยุคนั้นกับคนยุคนี้อันไหนมากกว่ากันฝรั่งมาในยุคยุกอยุธยาเนี่ยบอกเหมือนสวรรค์คนคนไทยเนี่ยยิ้มแยม้มเจอฝรั่งก็ยิ้มแยม้มคุยไม่รู้เรื่องแต่ยิ้ม ยิ้มแยม้มมีความสุขคุยได้มิจฉนรีมาประกาศศาสนาของเขาเนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์มาเล่านิทานประวัติพระเยซูอะไรเงี้นะคนไทยฟังยิ้มมีความสุขแต่ไม่เชื่อแต่เป็นมิตรแต่เป็นมิตรยอมรับฟังให้เกียรติให้เกียรติคนคนพูด ฟังเออออเขาจะาว่าอะไรว่ามาแต่ชั้นก็มีหลักของในใจของฉันว่าฉั้นจะมาเจริญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของชั้นต่อไปมีมีมารยาทของความเป็นเจ้าบ้านเขามาก็ต้อนรับแขกมีน้ําตั้งไว้หน้าบ้า น, านความสุขของคนไทยในยุคนั้นเนี่ยนะฝรั่งมาแล้วบอกว่ามันเป็นเหมือนเมืองสวรรค์บ้านเมืองสวยงามในวังเนี่ยสวยงามหลังคาเนี่ยทอง หลังคาเป็นทองประดับด้วยทองคําชาวบ้านอยู่กันแบบธรมธรมชาติธรรมชาติยิ้มแ ย, มแย้มแจม่มใสสัมผัสได้ถึงความสุขในใจของคนไทยถึงกับเขียนจดหมายกลับไปทางยุโรปบอกว่าอย่าไปทําลายเขาเลยเ <c oughs> มืองนี้เขาดีมากบางคนนะบาดว๋วมบางคนนะเป็นเมืองที่ดีมากอย่างนี้ศาสนาเราไม่จําเป็นต้องมาตรงนี้หรอก ไปทำตัวอื่นเถอะบางคนนะบางคนเห็นเมืองไทยแล้วบอกไม่ต้องาศาสนาของเราหมายถึงทางยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่จําเป็นต้องมาเนี่ยคนนี้คนที่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรามีความสุขเทียบเท่ากับสมัยก่อนไหมคนต่างประเทศมองเราแล้วรู้สึกชื่นชมหรือว่าสงสาร เรามองกันเองอาจจะสงสารเนาะคนอื่นมองอาจจะเป็นสมเพชก็ได้ <laughs> แต่ในบรรยากาศอย่างนี้นะอาตมาเคยคุยกับฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวแคนาดามาเมืองไทยมาเรียนธรรมะเมืองไทยมาเมืองไทยคุยภาษาไทยไม่ต้องกลัวว่าอาตมาคุยกับเขาด้วยภาษาอังกฤษ คุยกับฝรั่งโดคุยด้วยภาษาไทยเขามาหมุดเรียนธรรมะเมืองไทยแล้วมีโอกาสกลับไปที่แคนาดาถามเขาเป็นยังไงบ้างกลับไปบ้านครั้งนี้บอกโอ้ดีมากเลยรู้สึกกลับบ้านเนี่ยปลอดภัยมากเลยมายความว้าไงกลับไปแคนาดารู้สึกปลอดภัยมากเลยเหรออ่ไหบัลองเปรียบเทียบไปฟังด้มันเป็นยังไงบอก เมืองเขาเนี่ยนะมันไม่มีคนคิดร้ายขนาดเรียกว่าไร้ายร้ายอยู่ๆจะทําร้ายกันเนี่ยไม่มีเดินไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความปลอดภัยจะไม่ถูกทําร้ายมีความเคารพซึ่งกันและกันจะด้วยกฎหมายหรือด้วยอะไรแต่สังคมมันมันมันเป็นอย่างนั้นไปไม่โกงแต่เขาบอกว่า อย่าไปเปรียบเทียบกับอเมริกานะก็ไม่เหมือนกันด้วยแคนาดาเนี่ยแล้วถามเขาว่าแล้วที่ไหนดีกว่ากันนี่ถามแบบว่าเปิดใจพร้อมเลยนะว่าคุณจะถล่มเมืองไทยก็ได้คุณจะยกย่องเมืองตัวเองก็ได้แต่ขอความเห็นว่าแล้วอยู่ที่ไหนดีกว่ากันตอบไม่ถูกทำไมตอบไม่ถูกเมืองนั้นก็ดีนะแต่ก็ดีไม่สุด เมือนั่นนะดีแต่ก็ดีไม่สุดเมืองนี้ก็เลวเหมือนกันแต่ดีมีดีสุดสุดที่ดีมีดีสุดสุดที่น่ากลัวก็น่ากลัวน่าสะพึงกลัวเลยละใช้ควาว่าสะพึงกลัวเลยน่าสะพึงกลัวแต่มีดีสุดสุดแล้วถามเขาอ่ะแล้วเทียบเอาอันไหนอยู่ที่ไหนจะมีประโยชน์กว่ากันกับชีวิตนี้อยู่นี่นะอันตรายใช้ความอันตรายนั้น เตือนตัวเองอย่าประมาทแล้วเอาเวลาที่เหลือศึกษาให้ได้ความดีสูงสุดตามที่มีความดีนั้นอยู่ในประเทศนี้แนะนขํขก็ไปอย่างนี้นะโยมได้ยินว่าเมืองโน้นเมืองนี้ดีก็อย่าเพิ่งคิดหนี <laughs> <laughs> เพราะคนทั้งหลายต่างประเทศเนะี่ยรู้ว่าที่นี่มีดีนะเขาอิจฉาคนไทยอิจฉาคนไทยว่า ได้อยู่ในที่ที่มีครูบาอาจารย์ดีได้อยู่ในที่ที่มีคําสั่งสอนที่พาให้พ้นทุกข์ได้พระเจ้าปกุสาติยังสาระราชสมบัติเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินพระบาทเปล่ามาคนต่างประเทศก็เพียรที่จะนั่งเครื่องบินมาเรียนธรรมะในเมืองไทยคลิกฟังตามอินเทอร์เนต็ตก็ไม่ไม่ค่อยสะใจมันต้องฟังสดนะ่ะเหมือนมาดูคอนเสิร์ตต้องดูไลฟ์คอนเสิร์ตมันต้อง ถ่ายทอดจากจิตสู่จิตมันต้องอย่างนั้นดังนั้นไม่พึงประมาทปัญญาอย่าพึงประมาทปัญญาพึงอนุรักษ์สัจจะสัจจะเนี่ยต้องรักษาสัจจะเนี่ยถ้าจะแบ่งไปแล้วเนี่ยนะเอาง่ายๆมีสองแบบนี่จะง่ายไหมเนี่ยง่ายนี่คือแค่สองนะแต่พอนึกถึงศัพท์แล้วโอ้ไม่ง่ายเท่าไหร่ สมมุติสัจจะกับปารามิตสัจจะง่ายไหม <laughs> สมมุติสัจจะได้เป็นสัจจะตามสมมุติสมมติยังไงสมมุติเรียกว่าอันนี้เรียกว่าดอกไม้อันนี้เรียกว่าไมโครโฟนอันนั้นเรียกว่าพัดลมสมมุติกันเรียกกันสมมุติเรียกกันว่าคนนี้ชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้เรียกชื่อกันสมมติกันแต่โดยปรมัตแล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นปรมัดเนี่ยไม่เรียกชื่อนะท่านก็สรุปว่าปรมัดเนี่ยมีอะไรบ้างปรมามัดเนี่ยมีอยู่สอย่างสภาพธรรมะที่เป็นปรมัดนะที่เป็นความจริงโดยแท้โดยแท้เลยเนะี่ยคือที่ไหนที่ไหนจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ก็จะมีปรมัดสี่อย่างนี้เหมือนกันคือมีมีอะไรบ้าง จิตเจตสิกรูปนิพพานสอย่างจิตคือสภาพรู้อารมณ์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีจิตเป็นสภาพเดียวกันคือรู้อารมณ์แต่คุณภาพของจิตจะเป็นจิตสวยงามจะเป็นจิต ท, ที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันขึ้นอยู่กับเจตสิกสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกัน รู้อารมณ์เดียวกันอะไรที่เป็นเจตสิกบ้างความรู้สึกสุขทุกข์ดูเฉยเฉยทางใจความจําได้หมายรู้ที่เรียกว่าสัญญาและความปรุงแต่งต่างๆที่เป็นบุญเป็นบาปในใจเป็นบุญก็เช่นเป็นมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เรียกว่าเป็นเป็นสังขารเป็นส่วนที่เป็นเจตสิกทั้งหมดที่เป็นบาป ก็มีเป็นบาปไม่ต้องยกตัวอย่างรู้จักกันอยู่แล้วนะมีราคะมีโทสะมีโมหะฟุ้งซ่านหดหูทั้งหมดเลยแจกแจงออกไปเป็นอุปกเกรได้อีก16ข้อนะเป็นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแเหล่านี้เรียกว่าเป็นเจตสิกปรมตินะมีจิตปรมัติมีเจตสิกปรามาทคือมีจิตมีเจตสิกแล้วมีรูป รูปนี่คือสภาพที่ไม่รู้อารมณ์แต่ถูกรู้ได้โดยจิตนี่ก็เป็นรูปนี่ก็เป็นรูปรูปนี่ก็คือที่แยกมาเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟรูปภายในรูปภายนอกก็รูปภายในก็เนี้ยในกายนี้รูปภายนอกก็นอกกายและมีอัอนคือนิพพานนิพพานเนี้ยเป็นปรมาสัจจ์ ที่ไม่เหมือนปรมามัดสอันแรกสามอันแรกเนี่ยเป็นปรมามัดที่ต้องปรุงแต่งและเป็นธรรมดาที่ปรุงแต่งด้วยแต่นิพพานเนี่ยไม่ปรุงแต่งนะสามอันนี้จิตเจตสิกรูปเนี่ยจะมีลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเป็นสภาพที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ปรุงแต่งจึงเที่ยงเป็นสุขแต่ ก็เป็นอนัตตาเหมือนกนอันนั้นใครสอนเรื่องอัตตาอัตตาสอนผิดจากพุทธศาสนานะความจริงมีสองแบบอย่างนี้นะต้องเรียนให้ถึงความจริงทั้งสองแบบท่านไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธสมมุติสัจจะไม่ได้ปฏิเสธว่าคนนี้ชื่อกริชที่นี่เรียกว่าบ้านจิตสบายอันนี้เป็นสมมติแต่ก็ให้รู้เพราะว่าเขาสมมติกันอย่างนี้จริงๆ ตรงนี้เขาเรียกว่าย่านพุทธมนตรก็ต้องรู้ว่าเขาสมมุติกันว่าย่านพุทธมนตรไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถูกใช่ไหมเขาสมมุติกันว่าเวลานี้เมืองไทยคือสิบเอนาฬิกาก็ต้องรู้ว่าเออสมมุติก็เรียกว่าอย่างนี้แต่ที่จริงๆที่เกิดขึ้นกับใจที่เป็นสภาวะแท้เวลาตากแดดแล้วร้อนมีความร้อนรู้สึกว่าร้อนนี่คือ ร้อนจริงๆรู้สึกไม่ชอบความไม่ชอบนี้นะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจจริงๆ น, นั้นเวลาเจริญสติอย่าไปติดอยู่แค่สมมุติให้เจริญสติให้ถึงปรมาตา์พึงตามรักษาสัจจะตัวนี้ให้ถึงความจริงตัวนี้เวลาเราเจริญสตินะข้อผิดพลาดของคนเจริญสติที่รู้สึกว่าฉันก็เจริญสติแล้วทาไมไม่เห็นได้ผลอะไรสักเท่าไหร่คือมักจะไปเวลาโกรธ เวลาโกรธเนี่ยมักจะไปนึกถึงไอ้คนนั้นแล้วก็โกรธแล้วก็นึกถึงไอ้คนนั้นแล้วก็โกรธไม่ทันได้ดูตัวเองว่ามีความไม่ไม่ทันว่าดูในใจถึงปรมารสั จ, จความจริงนะที่เป็นประมาสัจแท้ว่ามีวิญญาณคือมีจิตกับมีความโกรธประกอบอยู่อยู่ด้วยกันคือจิตกับเจตสิกเนี่ยนะจิตคือสภาพรู้อารมณ์ เจตสิกคือคุณสมบัติของจิตอันนั้นจิตขณะนี้มีความโกรธไม่รู้ตัวนี้รู้แต่ว่านังนี่อีตานี้ไอหนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมันความผิดพลาดเลยนะจิตมันชอบจะส่งออกไปรู้แต่สิ่งที่เป็นสมมุติลืมดูสิ่งที่เป็นปรมัดมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลลืมเพราะสิ่งที่ท่าน ที่พระพุทธเจ้าให้ดูเนี่ยนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยนะจริงๆก็คือดูสิ่งที่เป็นปรมัติฏแท้ๆไม่ได้ดูเลยว่าดูมือนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะในกายานุปัสสนาเนี่ยท่านเห็นเห็นมือไม้มไม่ได้เห็นนะท่านให้แยกธาตุว่ามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ